พิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่5ความหมายของฌานผู้เริ่มศึกษาพึงทราบว่าคําว่าฌานสี่ตามปกติหมายถึงรูปฌานสี่ดังนั้นจะพูดว่าฌานสี่หรือรูปฌานสี่ก็มีความหมายเท่ากันอันหนึ่ง ไม่พึงสับสนฌานสี่กับฌานห้าเพราะฌานหก็คือฌานสีนั่นเองเป็นแต่ขยายละเอียดออกไปตามแนวอภิธรรมและฌานที่ห้าตามแนวอภิธรรมนั้นก็ตรงกับฌานที่สี่ในที่นี้นั่นเองฌานที่แยกเป็นสเรียกว่าฌานจตุ ก, กนาอเป็นแบบหลักที่พบทั่วไปในพระสูตรส่วนฌานที่แยกขยายออกเป็นห้าตามแนวอภิธรรมเรียกว่า ฌานปัญจกนัยฌานสีนี้ควรจะกล่าวถึงในบทที่16ว่าด้วยมัตตตอนสัมมาสมาธิในภาคปฏิบัติข้างหน้าแต่เมื่อเอ่ยถึงในที่นี้แล้วก็ควรทำความเข้าใจเล็กน้อยฌานแปละว่าเพ่งหมายถึงภาวะจิตที่เพ่งอารมณ์จนแน่วแน่ได้แก่ภาวะจิตที่มีสมาธินั่นเองแต่สมาธินั้นมีความประณีตสนิทชัดเจนผ่องใส และมีกำลังมากน้อยต่างๆกันแยกได้เป็นหลายระดับความต่างของระดับนั้นกำหนดด้วยคุณสมบัติของจิตที่เป็นองค์ประกอบร่วมของสมาธิในขณะนั้นๆองค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่วิตกวิจารปีติสุขอุเบขาและเอกกัตตาวิตกคือการจรดจิตลงในอารมณ์วิจารคือการที่จิตเคล้าอยู่กับอารมณ์ปีติ คือความอิ่มใจอุเบกขาคือความมีใจเป็นกลางและเอกะกะตะาคือภาวะที่จิตมีอารมณ์แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวคือตัวสมาธินั่นเองฌานที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์หรือรูปฌานท่านนิยมแบ่งออกเป็นสีระดับมีองค์ประกอบที่ใช้กำหนดระดับดังนี้ 1. ปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่งมีองค์หคือวิตก วิจารปีติสุขเอกคตา 2. ทุติยชาญหรือชานที่สองมีองค์3ามคือปีติสุขเอกขตา 3. ตติยชาญหรือชานที่ส ม, มีองค์สองคือสุขกับเอกขคตา4จะตุถชาญหรือชานที่สมีองค์สองคือ อุเบกขากับเอกะกะตาฌานที่สูงขึ้นไปกว่านี้คืออรูปฌานก็มีองค์สองคืออุเบกขาและเอกะกะตาเหมือนจตุตฌานแต่กำหนดอารูปธรรมเป็นอารมณ์และมีความประนีตยิ่งขึ้นไปโดยลำดับตามอารมณ์ที่กำหนดอารูปฌาน4ี่แต่ละข้อมีคำบรญญาัอยู่ข้างหน้าแล้วคือตรงกับวิโมกข์ข้อ4ถึง7จึงไม่ต้องพูดถึงอีก ฌานอาจใช้ในความหมายอย่างหลวมๆโดยแปลว่าเพ่งพินิษครุ่นคิดหรือแปลว่าเอาใจจดจ่อก็ได้และอาจใช้ในแง่ที่ไม่ดีเป็นฌานที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิเช่นเก็บเอาการมาราคะพยาบาทความหดหู่ความกลัดกลุ้มวุ่นวายใจความลังเลสงสัยนิวรหะไว้ในใจถูกอากุศลธรรมเหล่านั้นกลุ้มรุมใจ เฝ้าแต่ครุ่นคิดอยู่ก็เรียกว่าฌานเหมือนกันหรือกริยาของสัตว์เช่นนกเขาแมวจ้องจับหนูสุนัขจิ้งจอกจ้องหาปลาเป็นต้นก็เรียกว่าฌานบางทีก็นำมาใช้แสดงความหมายด้านวิปัสสนาด้วยโดยแปลว่าเพ่งพินิษหรือคิดพิจารณาในอักถราบางแห่งจึงแบ่งฌานออกเป็นสองจพวกคือ อารัมมณูปนิชฌานและลักคนูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์ตามแบบของสมถะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานได้แก่ฌานสมาบัตินั่นเองการเพ่งพิจารณาให้เห็นไตรลักษ์ตามแบบวิปัสนาหรือวิปัสนานั่นเองเรียกว่าลักคนูปนิชฌานในกรณีนี้แม้แต่มักผลก็เรียกว่าฌานได้เพราะแปลว่าเผากิเลสบ้าง เพ่งลักษณะที่เป็นสุญญาตาของนิพพานบ้างจบบันทึกที่5ขอเข้าสู่เนื้อหาในบทที่7ต่อไป